วันรุ่งขึ้นนายสมชายขับรถไปส่งเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสนามบินดอนเมือง โดยมีนายขุนทองขอตามไปส่งด้วยโยมที่นิมนต์ท่านพระครูสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้คือโยมเสงและโยมห่องใสานามสกุลใจบุญบุคคลทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาที่ใจบุญสมชื่อสกุลเพราะนอกจากนิมนต์ท่านแล้วอย่างนิมนต์พระภิกษุจากวัดอื่นอีกสี่รูป รวมเป็นห้ารูปคณะผู้แสวงบุญมีคฤหัสถ์คนเป็นบุรุษสสตรี20ร่รคฤหัสถ์ต้องออกค่าเดินทางกันเองส่วนพระภิกษุโยมเสงียงกับโยมห่องสยเป็นผู้ถวายค่าเดินทางและยังถวายซองบรรจุปัจจัยสองละ 5,000 บาทสำหรับให้ท่านไปทำบุญอีกด้วย โยมห่องใสเป็นคนรอบคอบและรู้จักใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเหตุนี้จึงต้องพิธีพิถันเลือกบริษัททัวร์ที่บริการดีและราคายุติธรรมคือไม่ค้ากำไรเกินควรในที่สุดก็เลือกได้สุดที่ทำทัวร์ซึ่งสืบทราบมาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ผู้นำทัวร์เป็นสุภาพสตรีอายุราว30ส่วนแม่ครัวที่ช่วยทำอาหารนั้นอายุประมาณ25คณะผู้สแสวงบุญซึ่งมีโยมห่องสยเป็นหัวหน้าเดินทางโดยสายการบินไทยออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานดำดาเมืองกันกัตาใช้เวลาสองชั่วโมงเมื่อถึงสนามบิน ผู้โดยสารทุกคนต้องเดินลงจากบันไดเครื่องบินเข้าไปยังตัวอาคารและไปยืนเข้าคิวยาวเหยียดรอตรวจเอกสารและสิ่งของที่นำมาซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินและศุลกากรจะตรวจกันอย่างละเอียดละออจนเกินความจำเป็นทำให้เสียเวลามากผู้ที่ต้องการมาเที่ยวออกรู้สึกผิดหวังเพราะนอกจากจะต้องยืนจนขาแข็งแล้ว มองไปทางไหนก็ไม่เจริญตาเจริญใจมีแต่แขกดูมืดไปหมดยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลิ่นแปลกๆมากระทบจมูกนับตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในตัวอาคารเจ้ากลิ่นแปลกๆนี้คงจะเป็นกลิ่นแขกนั่นกระมังส่วนผู้ที่ต้องการมาสแสวงบุญก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังบำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะ ขันติบารมีเพราะยืนรอให้เจ้าหน้าที่และสุลกากรตรวจถึงสามชั่วโมงแล้วก็ยังต้องไปยืนรอรับสัมภาระซึ่งถูกลำเลียงจากเครื่องเข้ามายัางตัวอาคารเมื่อได้ของของตนครบแล้วก็นำมาใส่รถเข็นของสนามบินเพื่อจะเข็นออกไปยังลานจอดรถแต่เนื่องจากเจ้าของทัวร์ยังต้องรอตรวจของซึ่งเป็นอาหารแห้ง และเครื่องปรุงที่นำมาจากประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมให้ผ่านในที่สุดต้องให้สินบนที่เรียกกันว่าบ็อกซ์ซิตจึงผ่านออกมาได้จากนั้นผู้นำทัวร์จึงพาคณะผู้แสวงบุญซึ่งมีโยมห่องใสเป็นหัวหน้าออกมาขึ้นรถบสัสซึ่งจอดรออยู่ที่ลานจอดรถหน้าสนามบินพระภิกษุรูปหนึ่งมากับรถ ได้เข้ามาทำความเคารพพระภิกษุที่มากับคณะตามลำดับอาวุโสแล้วแนะนำตัวว่าผมชื่อพระเจริญทิตาธรรมูกํำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮินดูเมืองพราราณสีได้รับนิมนต์ให้มาทำหน้าที่มักคุเทศให้กับคณะผู้แสวงบุญครับชื่อเหมือนหลวงพ่อที่มากับโยมเลยนะคะโยมห่องใสพูดขึ้น และเมื่อถูกถามว่าหลวงพ่อองค์ไหนก็ชี้มาที่สมภารวัดป่ามะม่วงหลวงพ่อก็ชื่อเจริญหรือครับพระเจริญถามพระครูเจริญครับทั้งชื่อและฉายาของผมเหมือนกับของท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบถ้าอย่างนั้นญาติโยมเรียกอาตมาว่า ลุงพี่ก็แล้วกันจะได้ไม่สับสนเรียกลุงพี่องค์หนึ่งลงพ่อองค์หนึ่งพระเจริญเสนอหรือจะเรียกอาตมาว่าหลวงพี่ก็ได้อาตมาจะได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างอยู่ที่วัดมีแต่คนเรียกหลวงพ่อมาที่นี่เรียกหลวงพี่ก็แล้วกัน ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มรู้สึกเบากายจิตที่ได้วางภาระลงชั่วคราวนึกอนุโมทนาบุญกับโยมผ่องใสที่มีจิตใจเป็นกุศลนิมนต์พระภิกษุมาทัศ า, ศ า, ศ า, ศานศึกษาณแดนพุทธภูมิถ้าให้เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพี่แล้วจะให้เรียกผมว่าอะไรล่ะครับพระเจริญมีทีท่าว่าจะไม่ยินยอมเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง จึงตัดสินว่าก็เรียกว่าพระอาจารย์เจริญเพราะท่านจะต้องเป็นอาจารย์ถาวายความรู้แก่พระภิกษุห้ารูปที่มาจากเมืองไทยส่วนท่านพระครูท่านอยากจะให้เรียกว่าลุงพี่ก็ตามใจท่านหน่อยเป็นการตัดสินใจที่ถูกใจท่านพระครูนะยังไม่ทันที่จะกำหนด ถูกใจเนาะโยมห่องใสก็สรุปว่าเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมน่ะ ด, ดีแล้วส่วนพระมะกุฏเทศก็เรียกพระอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกตกลงตามนี้แล้วก็เคลื่อนขบวนได้จะค่ำแล้วญาติโยมหิวข้าวค่ะพูดจบก็เดินตามผู้นำทัวไปยังรถเด็กหนุ่มสามคนที่มากับรถช่วยกันขนสัมภาระ ซึ่งมีทั้งอาหารและกระเป๋าเสื้อผ้าของญาติโยมขึ้นไปไว้บนหลังคารถบ้างไว้ท้ายรถบ้างใต้ท้องรถบ้างโยมบางคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาถึงสามใบคนที่มีสัมภาระมากที่สุดคือผู้นำทัวกับแม่ครัวเพราะเมื่อนับกระเป๋าเสื้อผ้าและกระเป๋าที่บรรจุอาหารแล้วมีจํานวนถึง44บสี่ใสมภารวัดบะมม่วงถามโยมห้องใสว่ า, ว า, ว า, วา โยมมีกระเป๋ามากี่ใบสามใบค่ะใบใหญ่สองใบเล็กหนึ่งผู้นำทัวร์เขาแจกกระเป๋าเดินทางคนละใบขนาดจุเสื้อผ้าได้หนึ่งชุดผ้าชเช็ดตัวผืนเล็กสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันถุงเท้าผ้าพันคอกระเป๋าใบนี้ให้เอาไว้กับตัวเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วหลวงพ่อล่ะคะ มีกระเป๋ามากี่ใบไม่มีเลยสักใบมีแต่ย่ามมาใบาเดียวแล้วหลวงพ่อไม่มีจีวรมาเปลี่ยนหรือคะตั้งสิบสองวันจะใส่ชุดเดียวได้อย่างไรโยมองษ์ใสาถามอย่างเป็นห่วงอาตมาเป็นพระภิกษุต้องปฏิบัติตามที่พระวินัยบัญญัติไว้คือพระวินัยบัญญัติไว้ว่า ต้องอยู่ด้วยผ้าสามชิ้นที่เรียกว่าไรจีวรได้แก่ผ้านุ่งที่เรียกว่าสบงผ้าหม่มที่เรียกว่าจีวรและผ้าผ้าบ่าที่เรียกว่าสังคาติเป็นพระสบายในโยมมีชุดเดียวก็เดินทางได้ทั่วโลกไม่ต้องแบกสัมภาระพรมพรังเหมือนเป็นโยม จริงไหมครับหลวงพ่อท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองจริงอย่างที่ท่านพระครูพูดมานั่นแหละนี่ถ้าโยมเป็นผู้ชายจะบวชไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามโยมพองใสบวชสิคะโยมอยากมีชีวิตแบบพระจะได้ปฏิบัติให้พ้นทุกเร็วๆเสียดายที่ภิกษุนี่ไม่มีแล้ว ไม่เช่นนั้นโยมจะไปบวชเป็นภิกษุณีพูดพลางหันไปมองสามีซึ่งเดินตามหลังท่านพระครูมาไม่ต้องบวชก็ปฏิบัติได้โยมไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงก็เหมือนกับบวชนั่นแหละบางทีจะดีกว่าบวชเสียอีกเพราะคนที่ปฏิบัติแต่ไม่ได้บวชก็ยังดีกว่าคนที่บวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติ คำพูดของท่านพระครูทำให้พระหนุ่มสามรูปที่มาด้วยรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาวด้วยว่าบวชมาสิเก้าพรรษาแล้วแต่ยังไม่เคยปฏิบัติเพราะไม่มีเวลาประการหนึ่งและหาครูบาอาจารย์ไม่ได้อีกประการหนึ่งพอจะได้ยินมาบ้างว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเชี่ยวชาญเรื่องการสอนกรรมฐานทางที่ดีขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านดีกว่า จะได้ขายหน้าน้อยลงภิกษุสามรูปซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันบังเอิญมาคิดเหมือนกันเสอีกต่างพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อด้วยนะครับกลับไปผมจะไปขอเรียนวิชากรรมฐานจากหลวงพ่อผมยินดีต้อนรับ และขออนุโมทนาที่ท่านทั้งสามคิดที่จะปฏิบัติต่อไปท่านจะได้สอนญาติโยมซึ่งผมเรียกว่าสร้างคนผมเลิกสร้างวัตถุมานานแล้วการสร้างคนมีประโยชน์มากกว่าการสร้างวัตถุปัจจุบันมีวัดร้างเป็นร้อยร้อยวัดเพราะหาพระอยู่ไม่ได้แต่คน ก็ยังนิยมสร้างวัดกันผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าสร้างวัดให้มาขี้หาพระดีอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติแต่ไปสนใจเรื่องทางโลกอยากร่ำอยากรวยอย่างครือหัดแล้วก็อยากได้สมณศักดิ์อยากเป็นเจ้าคุณไม่รู้อะไรกันนักหนา พระพูทธถเจ้าไม่ดีสอนอย่างนี้ท่านถือโอกาสเทศนอกธรรมะนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นรถได้แล้วค่ะผู้นำทัวร์เดินเข้ามานิมนต์พระภิกษุหกรูปที่ยืนสนทนากันอยู่ญาติโยมพากันขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเพราะรู้สึกเมื่อยขาจนแทบทนไม่ไหวออกสงสัยว่าพระคุณเจ้า ท่านไม่รู้สึกเมื่อยบ้างหรือไรถึงได้ยืนรอจนกระทั่งหนุ่มแขกสามคนขนสัมภาระเสร็จเมื่อพระภิกษุทั้งหรูปขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแล้วคนขับรถก็ออกรถอากาศเริ่มเย็นมากขึ้นเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเมืองกันกัตตาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายพวกเขาเดินขวักขวายอยู่ริมถนน ด้วยอาการเร่งรีบสองข้างถนนดูสกรปรกรกรุงรังหาความเป็นระเบียบไม่ได้มีนํำซ้ำยังมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในรถเสียงพระเจริญบรรยายว่าขณะ น, นี้เรากำลังเดินทางจากสนามบินดำดำไปยังสถานีรถไฟเฮราเพื่อจะเดินทางไปพุทธคยาผู้นำทัวร์จะพายโยมแวะรับประทานอาหารค่ำที่พัตคาร ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่จะไปสถานีรถไฟอีกประมาณ20นาทีก็จะถึงรับประทานอาหารเสร็จก็มาขึ้นรถไฟซึ่งจะออกจากสถานีเวลาสามทุ่มตรงระหว่างนั่งรถอาตมาจะบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองกันกะตาพอสังเขตแล้วจึงบรรยายว่าเมืองกันกะตาตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําฮุคาลีเป็นส่วนปลายสุดของแม่น้ํำคงคา ที่จะไหลออกทะเลตรงอ่าวเบงกอนแม่น้ำคงคายาวถึง 4,000 กิโลเมตรยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราคนอินเดียเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลลงมาจากสวรรค์พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านเรียกประเทศอินเดียว่าแดนเทวดาเพราะคนอินเดียนับถือเทวดามีการบวงสรวงบูชาเทวดา เพื่อขอให้บรรดาญโชคลาบแก่ตนจนเกิดพิธีบูชายันขึ้นคำว่ายันแปลว่าไฟบูชายั์ก็คือบูชาไฟนั่นเองคนอินเดียนับถือและบูชาไฟมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสน า, าจะเกิดและก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาตั้งรกรากในอินเดียเมื่อพวกอารยันเข้ามาก็ให้เปลี่ยนมานับถือพระอาทิตย์โดยอ้างว่าพระอาทิตย์ เป็นที่มาของไฟทุกดวงบนพื้นปัตภีแล้วเลยยกย่องพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเทพหรือเทวดาชื่อว่าสวิตติจึงเกิดเทพขึ้นมามากมายคือนอกจากพระอาทิตย์แล้วพระจันทร์ดวงดาวต่างๆแม่น้ำภูเขาต้นไม้ก็กลายเป็นเทพไปหมดมีการบูชายันเพื่อเอาโอกอใจเทพเหล่านี้เลยกลายเป็นลทัทธิที่ฝากความหวังไว้กับสิ่งภายนอก ครันพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ให้เบนจากเทพสู่ธรรมคือจากการหวังพึ่งสิ่งภายนอกมาสู่การเข้าถึงธรรมด้วยปัญญาของมนุษย์เองพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าศาสนาแห่งปัญญาขณะที่ศาสนาพราหมณ์ได้ชื่อว่าศาสนาแห่งพิธีกรรมเพราะมุ่งแต่เรื่องการประกอบพิธีกรรมบูชายัญ เพื่อเอา อ, อกออาใจเทพทั้งหลายเทพกับเท พ, พเจ้าเหมือนกันหรือเปล่าคะพระพุทธเจ้าทรงเชื่อว่าเทพมีจริงหรือเปล่าสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นเทพมีจริงแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้มนุษย์ฝากชีวิตไว้กับเทพจะเรียกว่าเทพหรือเท พ, พเจ้าหรือเทวดา ก, ก็ได้ทั้งนั้นพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์พึ่งตนเอง ดังพระพุทธวจนะว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาแปลว่าตนแหลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งแกเราได้สรุปก็คือเทพหรือเทวดามีจริงแต่เป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองพระเจริญตอบแล้วแม่น้ำคงคาไหลลงมาจากสวรรค์จริงหรือเปล่าครับ ผูุ้ษคนหนึ่งถามเป็นความเชื่อของคนอินเดียที่เขาเชื่อกันมาเป็นเวลาพันๆปีแต่ข้อเท็จจริงก็คือแม่น้ำคงคามีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศดินแดนส่วนนี้ปกคลุมด้วยหิมะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีฤดูร้อนหิมะละลายก็จะไหลลงมากลายเป็นต้นกาเนิดของแม่น้ำคงคา เขาหิมาลัยนี้คนอินเดียเรียกว่าเขาไกร ล, ลาศเป็นที่อยู่ของพระศิวะจึงเป็นแดนสวรรค์ตามความเข้าใจของพวกเขาพระศิวะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่คนอินเดียนับถือมากกว่าเทพองค์อื่นๆแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระศิวะและมีคนนับถือมากกว่าก็คือพระอุมาชายาของพระองค์พระอุมามีหลายพระนามเช่นเจ้าแม่กาลีเจ้าแมทุรคา เจ้าแม่ไพรวีเป็นต้นเรียกว่าดังที่สุดในบรรดาเทพทั้งหลายที่วดังเพราะมีคนนับถือมากพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากประเทศอินเดียในสายตาของชาวโลกถือว่ายากจนแต่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีในแต่ละปีเป็นเงินนับพันล้าน ลทัทธิเจ้าแม่กาลีระบาดไปถึงเมืองไทยด้วยขะท่านคือที่หมู่บ้านดิชันมีเมียในทหารเรียกตัวเองว่าคุณนายแกใหญ่ครับหมู่บ้านเลยเที่ยวทะเลาะ ก, กับเขาไปทั่วพูดผิดคิดผิดพอใครท้วงแกก็จะตะคอกว่านี่อย่ามาเถียงนะฉันเป็นคุณนายนะและที่ร้ายกว่านั้นก็คือแกบอกว่าแกกราบพ่อกราบแม่ของแกไม่ได้เพราะแกสูงกว่าพ่อแม่ ถึงขนาดนั้นเฉียวหรือโยมท่านพระครูถามขึ้นท่านจะตำหนิติเตียนทุกคนที่ไม่เคารพพ่อแม่ข้าหลวงพ่อแกว่าแกเป็นร่างทรงของเจ้าแม่กาลีจึงสูงกว่าพ่อแม่กราบพ่อแม่ไม่ได้ต้องให้พ่อแม่กราบแกบาปลือกเกินบาปมากอัตตมา สงสารเขาเหลือเกินท่านพระครูรู้สึกสงสารสตรีผู้นั้นสงสารที่หลอนจะต้องมีนรกเป็นที่ไปดีฉันก็สงสารคารุมพ่อแต่ก็ช่วยอะไรแก่ไม่ได้เพราะแกะถือว่าแกเป็นเทพเรื่องอะไรจะมาเชื่อคนเดินดินกินข้าวอย่างดีฉันถ้าพระอาจารย์บอกว่าเจ้าแม่อุ ม, มาก็คือเจ้าแม่กาลี ดิฉันก็อยากจะบอกว่าแกเหมาะกับชื่อกาลีมากกว่าเพราะคนกาลีเท่านั้นถึงจะกราบพ่อกราบแม่ของตัวเองไม่ได้กาลีจริงๆพูดอย่างเกลียดชังโอ้โหนี่ขนาดสงสารก็ยังขนาดนี้ถ้าไม่สงสารจะขนาดไหนท่านพระครูพูดประชดนิดนด แล้วสามีเขาไม่ว่าอะไรหรือคะสตรีอีกคนหนึ่งถามขึ้นเป็นธรรมชาติของสตรีที่ย่อมอยากรู้เรื่องของคนอื่นบางคนรู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองซสอีกเช่นรู้ว่าสามีของคนนั้นไปมีเมียน้อยอยู่ในซอยนั้นพัญญาของคนโน้นไปมีชู้กับเจ้านายลูกชายบ้านนั้นติดยาลูกสาวบ้านโน้นทาแทง้ง แต่ไม่ยักรู้ว่าสามีของตัวไปแอบมีเมียน้อยไว้ตั้งสามคนสามซอยสามีเขาไม่มีบทบาทอะไรบางคนมองว่าสามีคงจะเป็นคนดีแต่ก็สงสัยว่าถ้าดีจริงจะอยู่ร่วมกับคนชั่วได้อย่างไรบางคนก็เหมาเอาว่าต้องชั่วเหมือนกันจึงอยู่ด้วยกันได้แก่ร้ายจริงๆนะคะหลวงพ่อ เบียดเบียนคนอื่นด้วยวันหนึ่งแกซื้อลอตเตอรี่จากลุงแก่ๆซึ่งขี่จักรยานเก่าๆมาเร่ขายซื้อตั้งสิบกว่าใบแต่ไม่ได้จ่ายเงินบอกว่าอีกสองสาวันค่อยมาเอาพอลุงคนนั้นไปทวงที่บ้านแกพูดหน้าตาเฉยว่าแกไม่เคยซื้ออะไรจากลุงลุงจะพูดอย่างไรแกก็ไม่ฟังแถมยังไล่ออกไปยังกับไล่หมูไล่หมาลุงแกเสียใจร้องไห้เลย แกบอกว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาเพราะเงินที่ไปซื้อลอตเตอรี่เป็นเงินที่ยืมเขามาเสดอกเบี้ยรอยละยี่สิบ ต, ต่อเดือนทำไมต้องทำถึงป่านนั้นอาตมาไม่ชอบให้เบียดเบียนกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงจะถูกไม่ใช่มาข่มเหงน้ำใจกันแบบนี้โยมกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าลุงพ่อวัดป่ามะม่วง ขอบินธรรบาดอย่าได้สร้างกรรมทาเวรกับใครเลยท่านพูดจากใจจริงหลังจากใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วว่าสตรีผู้นี้มิได้พูดเกินความจริงถ้อบอกดีฉันรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องด่าลุงพ่ออย่าให้เขาต้องตกนรกเพราะด่าพระสงฆ์องค์เจ้าเลยค่ะสงสารเขา ถ้าสงสารจริงก็ต้องบอกเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่นี้เขาต้องตกนรกอยู่แล้วแต่ถ้าโยมบอกแล้วเขาเชื่อหลวงพ่อและเลิกประพฤติอย่างที่เป็นอยู่เขาก็จะตกนรกไม่นานเพราะฉะนั้นควรบอกเขาเพื่อเขาจะสํานึกได้ท่านพูดด้วยเมตตาไม่อยากให้สตรีผู้นั้นไปตกนรกนาน อาตมาขออนุญาตบรรยายเกี่ยวกับเมืองกันกะตาต่อได้ไหมโยมพระมาคุทเทศรู้สึกว่าถูกลัดคิวอยู่เรื่อยนิมนต์ค่ะดิฉันกราบขอโทษที่ขัดจังหวะพอดีรถมาถึงพัะตคารแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปฉันน้ำป่านะและขอเชิญญาติโยมลงไปรับประทานอาหารค่ำ แล้วเราจะได้เดินทางต่อไปอยังสถานีรถไฟฮารราพระภิกษุหกรูปซึ่งนั่งอยู่ทางตอนหน้าลงก่อนจากนั้นญาติโยมจึงลงตามผู้นำทัวร์พคณะเข้าไปในพัตคารซึ่งเป็นห้องแถวขนาดสองคูหานิมนต์พระภิกษุไปนั่งในห้องซึ่งมีม่านกัน้นพระเจริญเรียกบริกรมาสั่งด้วยภาษาฮินดี ให้นำนมเปรี้ยวมาหกแก้วท่านพระครูพอจะฟังภาษาฮินดีออกเพราะคล้ายๆกับภาษาบาลีจึงบอกภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าว่าผมขออนุญาตไม่ฉันเพราะธาตุไม่ค่อยดีเกิดท้องเสียขึ้นมาก็จะยุ่งนิมนต์ท่านตามสบายเถิดครับผมก็ขอสละสิบเช่นกัน เพราะอายุมากแล้วจึงต้องระมัดระวังเรื่องการขบฉันเป็นพิเศษลุงพ่อวัดดอนเมืองปฏิเสธบ้างพระเจริญจึงบอกกับบริกรว่าให้นํานมเปรี้ยวมาสี่แก้วแล้วนําชาร้อนๆมาถวายภิกษุอีกสองรูปนมเปรี้ยวของอินเดียมีชื่อนะครับลุงพ่อเพราะที่มาจากเมืองไทยชอบใจมาก ถ้าพูดถึงแลซี่ไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่เขาเรียกนมเปรี้ยวว่าแลซี่ครับพระมะรังคุเทศอธิบายท่านพระครูแอบสังเกตว่าในร้านมีแต่ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวหรือบริกรจึงถามพระมะรังคุเทศว่าผู้หญิงเขาไม่ทำงานหรือผมเห็นแต่ผู้ชายตามถนนหนทางก็มีแต่ผู้ชายเดิน น, น, นานๆจะเห็นผู้หญิงสักคนคนอินเดียเขาไม่นิยมให้ผู้หญิงทำงานครับเพราะผู้หญิงต้องเสียค่าสินสอดไปขอผู้ชายเมื่อขอมาแล้วผู้ชายก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูผู้หญิงพระมะคุเทศตอบ